ค่ะโยคีกับพระอาจารย์พร้อมกันนะคะค่ะนิพนธหลวงพี่กราบพระอาจารย์ก่อนนะเจ้าค่ะพวกเราประคองอัญชิีไว้นะคะค่ะกราบกราบกราบ าการนมัสการพระครูบวรวีรวงนะคะวันนี้เป็นวันที่4ี่ของการอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรกลับมารู้สึกตัวของท่านพระอาจารย์ในโอกาสนี้ขอการาบทรัตนาพระอาจารย์โปรดเมตตาแสดงธรรมนะคะเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติของโยะคะีเจค่ะขอรัตนาเจ้าค่ะขอจะเจริญพรตอนค่า ท, ทุกท่านนั่งตามสบายในค่าวันนี้กา็เป็นค่ำเคืนแห่งการ แล้วลึกถึงวิสาข์ะนะวิสาข์ก <c oughs> ็วันนี้ก็ที่เชิญชวนกันไว้ใช่ไหม <c oughs> ดูท่าทางแล้วแผ่วปลายยังเนี่ยนี่ <c oughs> ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะ <c oughs> หรือว่าเริ่มต้นแต่เมื่อเช้าชวนแต่เมื่อเช้าก็เลยแบบพึกงคักอยู่ <c oughs> พอตกใบใบเริ่มแผ่วปลายแล้ว เดี๋ยวพระ อ, อาจารย์จะพาพวกเราไปเห็นนามารูปที่เกิดขึ้นในใจเราชัดๆขึ้นขอให้เราลองฟังเสียงมีเสียงให้ฟังจากนั้นในเสียงที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะ่ะมันเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยก็ดูเอานะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา ก็ขอให้เราตั้งใจฟังแล้วก็ดูดูใจมันคิดยังไงสัญญามันมีมาอย่างไรมันส่งข้อมูลยังไงก็ดูมันไปให้สังเกตพร้อมยังพร้อมแล้วนะเอาเลยครับ สวัสดีครับวันนี้รายการ2ยามจะพาท่านไปพบกับสิ่งสยอง10อันดับแต่ต้องขออภัยไว้ก่อนต้องเรียนให้กับท่านผู้ติดตามรายการว่าถ้าท่านกำลังจะรับประทานอาหารก็ได้โปรดปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับและสำหรับท่านที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ก็เช่นกันขอให้ยุติไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จจากการรับประทานอาหารอันโอชะของท่านแล้วจะได้ลองลิ้มรส อันดับเมนูอาหารแปลกทั่วโลกเชิญครับอันดับที่10หนูฟังไม่ผิดหรอครับหนูนี่เองเป็นอาหารสุดยิตของอเมริกาใต้โดยเฉพาะประเทศยากจนอย่างเปรูป拉ไกวยหนูคือแหล่งโปรโตีนสำคัญที่สุดและเป็นเมนูหลักๆของร้านอาหารและพัตคาหใหญ่ๆ โดยชาวบารากไวต่างลิ้มลองแล้วเชื่อกันว่าการกินหนูเนี่ยจะช่วยให้ผิวกระชับมากขึ้นผิวเนียนอีต่างหากซึ่งหนูตัวใหญ่เขาจะเอามาย่างเป็นหนังกรอบหอมเสิร์ฟแบกแฮมเบอร์เกอร์เลยทีเดียวส่วนหนูทารกที่เป็นตัวอย่างสีชมพดแดูแดงๆนั่นน่ะก็จะย่อนหนูเป็น เ, นเนลงท้องทันทีตามด้วยนมสดสักแก้วหรือไม่ก็จะอร่อยแบบสีวิไลหน่อย ก็จับลูกหนูใส่ในขนมปังหรือกล้วยหอมแล้วก็ยัดใส่ปากเคี้ยวกลุมๆมร้องจิด๊ดจโอ้อร่อยห่อไปเลยครับอันดับที่9สตูข้างขาวอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามข า, ขายดิบขายดีแถมยังหรูและหายากมากโดยเฉพาะในเมืองหลวงใส่งอนมันอยู่ในระดับพัตคารหรูเท่านั้นซึ่งชาวเวียดนามเชื่อกันว่าเนื้อข้างข้าวหรือราชันแห่งเนื้อทั้งฟอง การกินทำได้หลายวิธีเช่นทำซุปหรือนำมาสับเป็นชิ้นๆเคี้ยวเป็นสตูหรือไม่ก็ใช้มีดคมๆตัดหัวข้างข่าวทันทีจากนั้นก็รีดเลือดที่หยดจากร่างไร้หัวใส่แก้วเปล่าแล้วดื่มกินกันสดๆทันทีอ๋อมีหมายเหตุสักนิดนะครับสำหรับครั้งข่าวไม่ใช่เฉพาะที่เวียดนามเท่านั้นหรอกครับในเมืองไทยนี่แหละลองสืบถามกันดีๆก็แล้วกันไม่เหนือก็อีสาน แถมยังภาคตะวันออกก็มีอีกด้วยอันนี้รายการสองยามขอยืนยันอันดับที่8สตูเนื้อหมาดำต้องเว้นวรรคไว้หน่อยครับเพื่อให้แน่ใจพูดถึงเอเชียก็ต้องเนื้อหมากินกันทั้งเกาหลีเวียดนามแล้วก็ไทยแต่ถ้าจะหาประเทศที่กินเนื้อหมาได้มีลีลาเด็ดอร่อยก็คือประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเรานั่นเอง เพราะพี่เพื่อนบ้านแกทำหลายเมนูมากโดยเฉพาะเนื้อหมาดำว่ากันว่ามีรสอร่อยกว่าเนื้ออื่นๆทั้งปวงแถมนุ่มกว่าเนื้อหมาสีอื่นๆเยอะทำให้เวลานี้หมาดำชักจะหายากหายจากถ น, นนและบ้านเรือนของอินโดนีเซียไปแล้วอันดับที่ 7. หัวแกะสดต้มจากหลายประเทศรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเมนูที่คุ้นเคยอย่างยิ่งของชาวเมืองแถบนั้น ว่ากันว่าหัวแกะถือว่าเป็นอาหารสุดยอดของแกะเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวที่เรียว่าโรชอาเช n a หัวแกะจะถูกนำมาเสิร์ฟพร้อมกับความหมายที่ว่าใครก็ตามได้กินหัวแกะนั้นจะได้รับโชคดีในวันปีใหม่ที่จะมาถึงแต่ตะกินลูกในตาของลูกแกะเข้าไปก่อนก็ย่อมจะโชคดีมากขึ้นไปอีกส่วนรสชาติหลายๆคนให้ความเห็นว่าเค็มเหลือเกินพัาซี น, นา ในเมืองไทยของเราก็มีนะครับภาคตะ ว, วันออกรายการ2ยามนี่เคยเห็นนั่นก็คือเอาหัววัวหรือไม่ก็ควายแล้วก็ทําเครื่องปรุงยัดใส่เข้าไปในหัวหมักในไหนไม่ทราบนานเท่าไหร่จําไม่ได้จากนั้นก็เอามากินกันอย่างอเรเด็ดอร่อยนี่ก็รายการ2ยามขอยืนยันเหมือนกันครับอันดับที่6ขนมพายครีบแมวน้ําชาวนิวฟอร์แลนด์ กินพายที่มาจากครีบแมวน้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งวิเศษและต้องกินก็ได้ถ้ามีโอกาสและด้วยเหตุนี้ส่งผลให้แต่ละปีจะมีแมวน้ำมากบายมหาศาลต่างถูกจับตัวขึ้นมาตัดครีบทั้งสองข้างจากนั้นก็เทียบลงเรือและปล่อยให้จมน้ำตายในทะเลไปอย่างน่าสมเพชที่สุดในพัตคาญใหญ่ๆหลายต่อหลายแห่ง ก็มีเมนูชนิดนี้เปิดขายกันแบบปกปิดและเปิดเผยเพราะนาน า, นานประเทศยังต่อต้านเมนูนี้อยู่ใจร้ายครับเล่นตัดคลิปแล้วถีบลงน้ำใครจะไปรอดได้เอาให้แน่จริงตัดแขนสองข้างของคนทำสิแล้วก็ถีบลงทะเลไปดูที่จะมีชีวิตรอดได้ไหมอันดับที่5สมองลิงแสนสนุกวิธีการทำและการกินงง่ายครับเพราะเอาลิงพันอะไรก็ได้ แล้วแต่มีมันหนีบกับโต๊ะโดยมีส่วนหัวด้านบนโผล่ออกมาจากนั้นพ่อครัวก็ใช้วิชาบาร์เบอร์โกนขนส่วนบนของลิงออกจนเกลี้ยงเกลาจากนั้นก็ใช้สิวและคอ้อนเฉาะกระโหลของลิงออกคล้ายกับกระเทาะมะพร้าวอ่อนและแล้วลูกค้าก็จะเรียบตักกินสมองลิงอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปสมองลิงจะยุบเลนลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งเขาก็เสิร์ฟสมองลิงแบบแช่แข็งไว้ด้วยเพื่อลดภาระสมองลิงหดตัวอย่างรวดเร็วอีกทางหนึ่งรายการสองยามเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าว่าในเมืองไทยนั้นมีแต่ไม่เคยเห็นของจริงสักครั้งท่านผู้ติดตามรายการเคยเห็นไหมครับอันดับที่ 4. ปลาสองแผ่นดินเมนูนี้สามารถหากินได้จากประเทศจีนหรือไทยก็ได้วิธีการทาต้องใช้ฝีมือหน่อย เริ่มจากนําปลาเก๋าขนาด2กิโลกรัมมาขอดเกร็ดออกให้หมดแล้วนํามาล้างก่อนจะใช้ผ้าเย็นที่แช่เย็นจัดพันส่วนหัวจนถึงพุงปลาแล้วก็ใช้มีดบ้างตัวปลาตั้งแต่ส่วนหางขึ้นมาจนถึงกลางลําตัวระหว่างนั้นตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชลงไปรอให้เดือดเต็มที่แล้วก็นําหางปลาช่วงที่บ้างจมลงไปทอดครึ่งตัวซึ่งเป็นภาพที่หวาดเสียวมากพบปลาจะดิ้นตลอดเวลาด้วยความเจ็บปวด ต้องใช้ครีบคีบที่หัวปลาเอาไว้รอจนเนื้อปลาสุกเป็นสีเหลืองก็ยกขึ้นนํามาวางบนจานแต่งด้วยเครื่องยกเสิร์ฟโดยเครึ่งบนปลายังเป็นเป็นอ้าปากพองงาพองงาบครีบยังกระดิบได้แต่ครึ่งร่างทอดจนสุกกินกับน้ําจิ้มซีฟู๊ดและซอสเปเรี้ยวโดยคนจีนเชื่อ ว, ว่าการทานปลา2แผ่นดินเป็นยาชูกําลังให้กินมากๆจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเรื่องนี้เมื่อประมาณสักสี่หปีก่อน มีร้านอาหารที่ระยองนี่เองครับทำวิธีการนี้ขายที่สุดอยู่ไม่ได้แล้วครับถูกชาวบ้านแบนอันดับที่3อุ่งตีนหมีเป็นอาหารที่นักเปิบมห า, หาภาัยชอบมากและเป็นเมนูสุดพดเพราะการตัดอุ่งตีนหมีนั้นไม่สามารถตัดขณะที่หมียังไม่ชีวิตได้การฆ่าหมีเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหนังหมีจะหนามากยากต่อการฆ่า ดังนั้นผู้ฆ่าจึงจับหมีทวงน้ำทั้งเป็นหมีส่งเสียงร้องดังโหยหวนเมื่อถูกตะขอเหล็กเกี่ยวร่างออกจากกรงถังไม่กี่นาทีต่อมามันก็ตกอยู่ในความมืดมิดเมื่อถูกกระสอบสวมคลุมร่างนักท่องเที่ยวจะยืนมองวินาทีสุดท้ายของหมีควายโชคร้ายในถังเก็บน้ําใบเขื่องด้วยสายตาเฉยเมยหลังจากร่างใหญดินพลาดพลาดอยู่เพียงครู่ทุกอย่างก็สงบ เพชฌฆาดรีบลงมีดเลือดสดๆไหลทะลักจากคอลงสู่ถ้วยขนาดย่อมเลือดในถ้วยถูกผสมด้วยเหล้าขาวแล้วเวียนกระเดื่มหลังจากยืนดูการชำระอุ้งตีนหมีเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวจึงกลับไปที่โต๊ะนั่งรออาหารจานเด็ดที่เชื่อว่าจะช่วยทำให้ขนแข็งแกร่งในกามกรีธาดุดเดียวกับความแข็งแรงของอุ้งเตนหมีอันดับที่2 ซุดตัวอ่อนมนุษย์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่รายการสองยามไม่ได้ยืนยันเพียงแต่รูปที่นำมาเป็นของจริงหรือเปล่าไม่ทราบเมนูนี้เป็นอาหารเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นมันมีขายอยู่ที่เฉินเซินประเทศจีนการกินตัวอ่อนของมนุษย์หรือทารกที่เพิ่งคลอดเป็นความเชื่อกันอย่างลับๆว่าจะช่วยเพิ่มคุณค่าอาหารหลายอย่างในหมู่ชาวจีน นั่นก็คือทาให้ผิวสวยเนียนร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคและที่เชื่อกันมากก็คือช่วยบำรุงไตได้ดีสำหรับวิธีการทาก็ไม่ยากแค่เอาเด็กทารกแรกเกิดหรือเด็กที่ตายจากการทำคลอดยิ่งเป็นเด็กผู้ชายยิ่งดีเชื่อว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงมัดสับมักเคี่ยวเป็นซุปและใส่เนื้อหมูลงไปเป็นอันเสร็จ รสชาติเหมือนซุปสมุนไพรยอย่างไรก็ตามการนําเด็กทารคมาทำตุนยาจีนเป็นอาหารที่ประเทศจีนนั้นถือว่าผิดกฎหมายทำให้เมนูนี้ต้องมีการสั่งเป็นพิเศษหรือไม่ก็แอบทำให้กับพวกที่อยากรับประทานอาหารแบบพิสดารแบบนี้สยองนะครับนี่ก็น่าจะจัดอยู่ในยพวกคนกินคนได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ยานะครับยาไปริทำเข้าอันดับที่1 เนือมนุษย์ที่ปาปวนิวกินีและก็มาถึงอันดับที่หนึ่งของเราที่ปาปวนิวกินีซึ่งรายการสองยามเคยนําเสนอมาแล้วนี่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับเวลามีใครตายไม่ว่าจะเป็นญาติของตนหรือคนต่างเผ่าที่ตกอยู่ในครอบครองของตนเขาจะไม่นําศพไปฝังหรือเผาแต่จะนําศพไปไว้บนตะแกรงที่ยกพื้นสูงขนาดทวมหัวปล่อยให้ศพอยู่ในสภาพนั้นจนขึ้นเอิบ เกิดน้ำเหลืองเยิ้มไปทั้งตัวยิ่งดีแล้วก็จะเข้าป่าหาใบไม้ที่เป็นเครื่องเทศเอามาพับเป็นกระทงเล็กๆเกหมาะที่จะมีขนาดกินคําเดียวแล้วก็เชิญพักพวกเพื่อนฝูงให้มารวมกันอยู่ใต้ตะแกรงศอกนั้นนำเอาไม้ปลายแหลมแทงศพให้เป็นรูให้น้ําเหลืองไหลย้อยออกมานํากระทงไม้ที่เตรียงไว้รองรับน้ําเหลืองนั้นพอได้มากแล้วก็กินทั้งน้ําเหลืองและใบไม้ กินกันจนไม่มีน้ำเหลืองแล้วก็น้ำศพนี้ไปต้มซุปกับผักต่างๆกินกันต่อไปแต่ถ้าจะกินมนุษย์ที่สะใจที่สุดก็ต้องยกให้ชนเผ่าโดโบโดูัสทีนิยมจับเหยื่อทิลล่ามาได้มากินแบบเป็นแป้นนั่นก็คือต้องทรมานเหยื่อจนใกล้จะตายแต่ไม่ให้ถึงตายจากนั้นก็จะเจาะกะโหลกให้เป็นรูลึกๆเพื่อก่อน แล้วค่อยสอดไม้เล็กๆที่มีปลายแบบช้อนเข้าไปตักสมองออกมากินเหยื่อก็ดินไปดินมาดูแล้วหน้าทุเรศเป็นอย่างยิ่งและนี่คือเรื่องสุดสยองอาหารสุดหิตอาหารที่แปลกประหลาดที่สุดทั่วโลกที่รายการสองยามได้นํามาเสนอในวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากรายการสองยามอีกครั้งโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ เห็นอาการตัวเองไหมฮะเห็นมันพยายามเอาสัญญาเห็นสัญญาเข้ามาทำงานไหมเอาด้านอานนี้มาปะติดปะต่อกันมันไม่เห็นภาพแต่ว่ามันก็พยายามเอานน่นอันนี้มาปะติดปะต่อสังเกตเห็นไหมแล้วก็สร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นใช่หรือไม่เนี่ยนามารูปที่มันเกิดแล้วเห็นอาการที่เรามีความรู้สึกต่อนามารูปนั้นไหม เอออีอืออ้าอือ้าอีทั้งหมดเดียไม่ได้เห็นอะไรเลยนะมันอีออื้ออ้าๆกับไอ้รูปที่ตัวเองสร้างทั้งนั้นเลยอ่ะใช่หรือไม่พกคีบแมวน้ำเงี้ยโอ้โหเห็นภาพเลยเนาะแมวน้ำตอบมือแปะๆๆปะปรูปถูกตัดคีบอ่ะเอ้ คิดถึงภาพกี๊บแมวน้ําเล้วกินกันไปได้ไงตัดคลิบออกแมวน้ําคีิปด้วนถูกถีบลงน้ำเห็นภาพเลยเนาะยิงเอตสุดท้ายเนี่ยสบขึ้นอิดเอาไม้แทงให้น้ําเหลืองไหลมาแล้วเลาใบไม้ห่อเป็นกระทงอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมี่ยงคําเลยอะ่ะไม่กล้ากินเมี่ยงคำไปอีกนานแน่เลยอะ่ะ เพราะเวลาตักนะ้ำน้ำน้ำเมื่อยคำนะมันจะเหลืองเหลืองเหนียวเหนียวยืดยืดเหมือนกันเลยเนาะ <laughs> แล้วก็ห่อเป็นคำคำห่อเป็นคำคำแล้วก็เคี้ยว <laughs> <laughs> <laughs> เห็นภาพไหมมันเอาเอากินเมื่อยคำของตัวเองมาใส่อะ่ะเห็นยังใช่ไหมตอนนี้บอกว่าทา ฉันก็กระทงเอาไปใส่น้ำเหลืองแล้วก็ห่อใส่ปากเห็นปะออมันเอาภาพมาเราไม่เคยเห็นมันกินน้ำเหลืองยังไงอะ่ะแต่เชื่อไหมว่ามันมีภาพในใจเราใช่ไหมเป็นภาพตอนเรากินเมี่ยงคำนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> มันเอามาใช่หรือไม่เพราะมันมีสัญญาเรื่องการกินเป็นคำคำเป็นกระทงกระทงอ่ะ <c oughs> หนูแดงๆสีชมพู <c oughs> ยอนใส่ปากเขียวกับกุบจีดจดจีดื่มดื่มดื่มนมตามอืมเเป็นไงตกลงตกลงเราเห็นไหมมันมีปฏิกิริยาต่อต่อเสียงหรือว่ามีปฏิกิริยาต่อนามารูปที่ใจเราเป็นอาการจนออกมายียียีเนี่ยอะ ต่อเสียงหรือว่าต่อนามารูปที่เกิดขึ้นนี่แงต่นามารูปนี่แหละที่มันสร้างเรื่องสร้างราวขันมันก็ทํางานของมันสังเกตดูไหมมันพอมันพูดถึงแมวน้ํามันก็เอาภาพแมวน้ํามาให้เห็นใช่เลยไหมบอกคีบแมวน้ำมันก็เอาเอ า, เอ า, เอามือแมวน้ําตบแแปะนัะ่นแหละโผลมาอาจารย์ก็มาอย่างนั้นจริงๆนะพอบอกแมวน้ำปุ๊บมาแมวน้ําก็โผลมา พอบอกตัดเอาคลิปแมวน้ำก็ตัดมือมันนั่นแหละแปะแปะแปะป ะ, ปะนั่นแหละเห็นไห อ, อบอกทีบแมวน้ำลงก็เห็นแมวน้ำจมน้ำไปไม่มีแขนเนี่ยเป็นศพอืดมันก็เห็นภาพเลยนะยิ่งใครเคยดูภาพศพใช่ไหมเคยพอดูภาพศพเคยดนะูในหนังผีในหนังอะไรเนี่ยมันโผล่มาหมดแหละน้ำเหลืองไหลเยิ้มเนี่ยแทงจึ๊กเข้าไปน้ำเหลืองไหลยิ่งมันยืดหอเป็นคำํคำคย สังเกตเหมันเอาตรงโน้นมาปะเอาตรงนี้มาต่อกันเนี่ยนี่คือการทํางานของสัญญาที่มันมีอะไรมันก็เอาเอาอย่างนั้นแหละมาเออมีไหมใครที่คิดภาพไม่ออกบ้างบางเรื่องมีไหมมีไหมมีที่คิดไม่ออกเพราะว่าเราไม่มีสัญญาในเรื่องเหล่านั้นมันก็ไม่ออกมาใช่ป่ะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในกระบวนการตรงนี้มันถ้าเราดูดีดแๆแล้วก็เราก็เห็นวะาเออพอเรามีสติเป็นกลางกับการเห็นมันอ่ะเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันก็แค่ตัวเนี้ยมันใส่ข้อมูลเข้ามามีอะไรก็ใส่มาตามที่มันมีนั่นแหละแมวน้ำอาจารย์กับแมวน้ําของคุณก็คนละอย่างกันใช่ไหมเออซุปเด็กของคุณกับซุปเด็กอาจารย์ก็คนละอย่างแน่แหละ <laughs> ใช่หรือไม่ศพ ที่เขากินน้ำเหลืองก็คนละอย่างกับอาจารย์ทุกคนก็จะมีข้อมูลของตัวเองทุกคนก็จะมีมีภาพมีความจำที่ไม่เหมือนกันแต่เชื่อเถอะพอมันได้ยินเสียงกระทบหูปุ๊บมันหยิบมาให้มันหยิบมาให้ตามที่มันมีนั่นแหละแล้วก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวตามที่มันมันมีนั่นแหละเราก็รู้สึกอีอีอีที่เนี่ยไออีอีเนี่ยเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่า ตัวความรู้สึกหมายเลขที่7จ็ดหมายเลข7จ็ดเจ็นาฬิกาตรง7จ็นาฬิกาที่มันเกิดความรู้สึกเกิดเกิดความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเข้าใจไหมตรงเจ็นาฬกามันไม่ได้หมายถึงว่ามันมีความรู้สึกต่อรูปที่กระทบต่อเสียงที่กระทบนะแต่มันมีความรู้สึกต่อนามรูปกับสลายญาณะใน5นาฬกากับสี่นาฬกากับ5นาฬิกา เพราะภาพเหล่านี้มันเกิดที่6นาฬกาเป็นมโนพัสสะที่ทำงานอย่างต่อเนื่องสังเกตดูไหมพอมันพูดถึงอะไรปุ๊บอันนั้ก็โผล่เรื่องเรื่องอันนี้ก็โผล่เห็นนี่ไงนี่คือสิ่งที่ทำห้อาจารย์ถึงพยายามบอกว่าเราจงรู้ทันสิ่งนี้เถิดเห็นภาพชัดเนาะทีนี้เชื่ออย่างว่า เอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะตัวที่มีปัญหาที่ทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกขนะ์เน่ยก็คือตัวตัวนำมาูปตัวนามารู ป, ต, รปตัวสลายญัตนะเหล่านี้ทั้งหากไม่ใช่รูปที่เราเห็นไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินไม่ใช่กลิ่นที่มากระทบจมูกเราไม่ใช่รสที่กระทบลิ้นไม่ใช่ผวถภพะที่กระทบกายไม่ใช่ทำอารมณ์ที่กระทบใจแต่มันเกิดจากกระบวนการอีกครั้งหนึ่งก็คือ สังขารเข้ามาสัญญาเข้ามาทำงานสังขารเข้ามาปรุงต่อก็อเกิดเป็นนามรูปเป็นสลายตรนะนัเป็นมโนผัสสะจึงมีความรู้สึกเกี่ยวเนื่องทันทีเข้าใจไหมฮะเกิดความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับภาพที่ปรากฏนั้นพอเกิดความรู้สึกตรงนั้นปุ๊บมันก็อยู่ที่ว่าเรารู้ทันกับการเกิดของสิ่งนั้นไหมถ้าเราไม่รู้ทันมันก็ไหลวิสู ความรู้สึกที่มันไม่พอใจหรือพอใจก็ตามก็อไหร่ปสู่ตันหาอุปาทานก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นในใจเรานั่นเองเนี่ยท่านสังเกตดูเถอนะเราทุกข์เราไม่ได้ทุกข์กับเรื่องปัจจุบันบางทีเราทุกข์กับเรื่องอดีตใช่ไหมอดีตมันขึ้นมาพวกก็ทุกข์ไปโดยที่เราไม่หารู้ไม่ว่าไอ้ภาพอดีตที่ปรากฏมันก็แค่ศักแต่ว่าที่มัน มันมีมันก็ส่งมาเท่านั้นเองเนี่ยนี่คือเรื่องสำคัญที่พระอาจารย์บอกทําไมเราต้องเข้าใจเรื่องการทำงานของขันห้าเราไม่ใช่แค่รู้ว่าขันห้าคืออะไรอาจารย์สังเกตดูว่าทุกคนพูดเรื่องขันห้าแต่ก็แค่บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสแล้วก็ไปบอกว่ารูปประกอบด้วยมหาพูทธรูปสี่ดินน้ำไฟลมแล้วไง เวทนาปราบด้วยสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกคำว่าสุขเวทนาแล้วยังไงสัญญาความจำได้ไม่รู้แล้วยังไงสังขารการปรุงแต่งใจแล้วยังไงวิญญาณคือการรับรู้แล้วยังไงถ้าตราบใดก็ตามที่ยังไม่เข้าไปเห็นการทำงานของมันจ้างก็ไม่มีวันรู้จากขันห้าตามความเป็นจริงมันแค่แค่มาจากหนังสือและที่จามาจากหนังสือมันจะไปดับทุกได้ยังไง แค่จะมาจากหนังสือมันดับทุกไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปเห็ น, นกลไกการทำงานของมันแล้วเข้าใจกรรมการทำงานของมันจริงๆแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องทำงานของมันตามที่มันทำสักแต่ว่ามีอะไรมันก็ทำตามนั้นนี่คือเรื่องจริงเราจึงได้เห็นความจริงว่าที่แท้แล้วที่เราเป็นทุกข์เพราะเราเผลอไปยินดียินร้ายกับกับการทางานของมัน มันก็แค่ทํางานน่ะเข้าใจไหมพอมันพูดแมวน้ำมันก็โยนแมวน้ำไม่ให้ดูเห็นไหมพูดถึงคีบแมวน้ําถูกตัดก็เห็นภาพแมวน้ําถูกตัดคีบเห็นไหมพูดถึงศพมันก็ส่งศพไม่ให้ดูเห็นไห ม, พ, ม, ม, หหไหมพูดถึงน้ําเหลืองไหลเอาใบไม้มาเป็นกระทงกระทงเนี่ยอาจารย์ก็คิดใบไหนไม่ออกอาจารย์ก็คิดเป็นใบเช่าูทุกทีแหละ <c oughs> <c oughs> แล้วคิดว่ามันจะเป็นอะไรต่อมันก็เหมือนกับอาจารย์เน้อเมีย่ยงคําอ่ะ น้ำน้ำเนี่คําเหนียวเหนียวนื่อเนือ่ะใช่ไหมมันก็มันคิดภาพไม่ออกว่าเป็นไงมันก็เอาพวกนี้เข้ามาวันจําได้ไหมที่อาจารย์เล่าวันแรกอ่ะที่มันเจาะไขกระดูกอ่ะจำได้ไหมมันเอารูปสวรรคสว่านเจาะไม้โผล่เข้ามาให้เห็นเอาหลอดูดดูดรอดช่องโผล่เข้ามาให้เห็นเนี่ยเข้าใจอย่างเห็นเห็นไหมมันมีข้อมูลยังไงมันก็ ส่งมาตามนั้นน่ะมันส่งมาตามนั้นทีนี้ถ้าเราเป็นกลางกับมันน่ะไม่ไม่ไม่เผอที่จะไปอี๋ไม่เผอที่จะไปอือะไรกับมันน่ะมีกลางกลางกับมันปุ๊บเราก็เห็นโอ้มันสักแต่ว่าทําเนี่ยพอเขาพูดถึงตัวนี้ก็เรื่องนี้มาพูดถึงตัวนี้เอาเรื่องนี้มาพูดถึงอย่างนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเอาสัญญาเรื่องนี้มาเอาความจําได้เรื่องนี้มาเอาเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเขา ไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาพูดด้วยบางเรื่องจำมาจากในหนังบางเรื่องก็จำมาจากหนังสือบางอย่างก็จำมาจากโทรทัศน์บางอย่างก็จำมาจากอะไรก็ไม่รู้ส่งมาหมดอ่ะเขามีอะไรเขาก็ส่งตามนั้นนี่คือการมองเห็นตามความเป็นจริงของขันที่มันทำงานอันนี้ต่างหากที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยแล้วทำไมเราหลงไปยึดมั่นถือมั่นเอาถูกกับมันเอาถูกกับผิดกับมันได้วะนี่ไงเขา้าใจยางเห็ น, นย เราต้องเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วมันถึงจะร้องอ๋อแล้วทำไมเราอาถูกเอาผิดกับมันน่ะเพราะเราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยเห็ น, นกลไกการทำงานของสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นพระอาจารย์บอกว่าในวันที่พระมหาบุรุษผู้หนึ่งอะ่ะได้นั่งสังเกตตัวเองตรงนี้แล้วจนสามารถแยกแยะจาแนกธรรมชาติ องประกอบของชีวิตออกมาเป็นกายเวทนาจิตธรรมแยกออกมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยในวันนั้นในวันที่เจ้าชายศิษฐาได้สังเกตเห็นตรงนี้แล้วพระองค์ก็ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาให้พวกเราฟังให้เราได้ยินถามว่ามีใครสักคนที่เดินตามเส้นนั้นจริงๆไหมหรือเรายังเดินตามฤาษีอยู่ ยังไปมุ่งเรื่องความสงบอยู่ยังไปมุ่งเรื่องทำสมาธิอยู่แต่ไม่ได้มุ่งเรื่องการสังเกตการทำงานของขันห้าเมื่อได้มุ่งสังเกตเห็ น, นกลไกการทำงานของขันห้าไม่ได้มุ่งเพื่อจะแยกแยะ ก, กลไกองค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้เหมือนดังที่เจ้าชายสิทธัตถะเคยทำอ่า อ, อันนี้พูดแบบตรงๆเลยอ่ะใช่ไหม ที่อาจารย์ถามอย่างนี้เพราะว่าตลอดชีวิตอาจารย์ตั้งแต่เป็นเด็กมาพอพูดถึงปฏิบัติปั๊บทุกคนคิดถึงการนั่งสมาธิแล้วการนั่งสมาธิคืออะไรสงบแล้วสุดท้ายก็มานั่งคุยกันเห็นนั่นเห็นนี่เห็นแสงเห็นสียิ่งแล้วใหญ่เลยเห็นเทวดาเห็นพญา น, นาคเห็นโน้นเห็นแต่ไม่เคยเห็นขันห้าของตัวเอง แล้วก็มนเล่าเป็นตุวเป็นตาว่าบรลุทำอย่างโน้นอย่างนี้พอไปเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยไม่อะแต่เมื่อไดก็ตามที่คุณสามารถเห็ น, นกลไกการทำงานของขันห้าเห็นมันทำงานเออนน้นคุณจะหน่ายกับมันจริงๆอย่างเมื่อกี้ชัดเจนมากเลยมันโยนมาให้โยนมาให้โยนมาให้ ใช่ไหมสังเกตดูไหมมันอัตโนมัติมากเลยอะ่ะพอพูดถึงแมวน้ําแมวน้ําก็โผล่พูดึงคิดแมวน้ําคิดแมวน้ำก็โผล่คิดถึงศพก็พูดศพก็โผล่คิดถึงขั้นคาวขั้นคาวก็โผล่มาคิดถึงนู่นมันพูดถึงอะไรปุ๊บมันก็เอานั้นส่งมาเอานี้ส่งมาให้คนเห็นไหมนี่ไงทําไมถึงบอกต้องให้รู้ทันความคิดทําไมถึงบอกต้องให้รู้ทันความคิดต้องรู้ทั น, นกลไกตัวนี้ เพื่อเราจะได้เห็นความไร้สาระมองเห็นขันมันทำงานสักแต่ว่าทำงานมันไม่ได้มีถูกมีผิดไม่ได้มีดีมีร้ายไม่ได้มีดีมีชั่วนะไม่ได้มีสุขมีทุกข์นะมันไม่ได้มีอะไรนะมันมีแต่กลไกและการทำงานของมันที่มันทำงานตามปกติของมันเลยมันทำงานตามปกติของมัน เนี่ยมันมีมันก็ส่งให้มันไม่มีมันก็ส่งอันอื่นใก้เคียงให้เอาท่าสังเกตดูดีๆอ่ะใช่ไหมอยู่ๆมันเนี่ยเรื่องสุดท้ายมันเอาเมี่ยงคามาให้อาจารย์เลยเออช่วงหอมเมี่ยงคำตักน้ําหยอดมันเหมือนเหมือนกันเลยมันก็มีภาพเนี้ยให้มันก็ส่งมาให้แบบเนี้ย ใช่ไหมดีนะมันไม่บอกทอดตัวหนังกรอบเป็นหมูกรอบเลยแน่นอนใครเคยทําหมูกรอบก็โผมาเลยแหละภาพทอดหมูกรอบในกระทะใช่ไหมคือมันมันมันพูดอะไรมาปั๊บเนีย่ยมันจะมีจะมีจะ ม, จะมีจะมีให้มีให้มหี้โดยที่มันมันไม่ได้ตรวจทานว่าข้อมูลจริงหรือไม่จริงข้อมูลใช่หรือไม่ใช่ ตรงตามนั้นจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ว่าอย่างนั้นเลยนะมันไม่ได้มีการไต่ตรองไม่มีการอะไรทั้งนั้นมันมาตามปกติที่มันจะมีให้อาจารย์ถึงบอกว่ารูปที่เขาบอกว่าเอาหัวลิงโพมาที่โต๊ะแล้วหนีบเอาไว้เนี่ยทุกคนก็มีภาพไม่เหมือนกันหรอกบางคนอนหนีบคอบางคนหนีบหัว เอาจิงไหมจริงทุกคนมีภาพไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเรามีภาพอะไรไว้มันจะโผล่มาอย่างอาจารย์เนี่ยเคยเห็นภาพพวกเนี้ยในอะไรนะลิบลี่อะ่ะเชื่อหรือไม่อะ่ะใช่ไหมเออมันก็มีภาพหนีผัวลิงหนีไปแล้วก็โกแล้วก็ช่อช อ, อ, อ, อเปิดกระโลกเอ แล้วก็มีภาพในหนังมันดูดกินสมองมาแบบ น, นี้ได้ยินเสียงอาจารย์ทำาเสียงแบบนี้เป็นไงคิดภาพอะไรออกมาแค่เสียงตัวนี้มันก็ส่งภาพให้คุณแล้วใช่หรือไม่เออมันเราดูดกินอะไรเห็นมมันก็มีเนี่ยมันมันนึงออกิ <laughs> ง ยิ่งไปเห็นมันการบวนการทำงานมาโอ้แล้วทำไมคนเราถึงหลงเอาถูกเอาผิดยินดียินร้ายกับเรื่องเหล่า น, นี้ทำไมคนเราต้องต้องกลายเป็นสุขเป็นทุกข์กับเรื่องเหล่า น, นี้ไปเผยยินดียินร้ายกับเรื่องเหล่า น, นี้เป็นตุเป็นตะเลยนะโอ้ลบลาค่าฟันกันทบบะเลาะเบาแว้งกันแย่งชิงห้อยความคิดตัวเนี้ย มันสร้างขึ้นในใจแล้วมันอยากให้เป็นอย่างใจหรือไม่อยากให้เป็นอย่างใจอ่ะมันสามารถที่จะผลักไสถ้ามันไม่อยากให้เป็นอย่างใจนะมันสามารถผลักไสและกําจัดทิ้งได้ด้วยถ้ามันอยากให้เป็นอย่างใจนะมันค่อยยามดึงก็หาตัวเสกสรรปั้นแต่งให้เป็นไปอย่างที่ใจมันวาดภาพไว้ด้วยเออนี่ไงบางคนเนี่ย มีเรื่องแค่นิดเดียวโอมันคิดไปใหญ่โตมหัหะานเลยลามปามไปใหญ่เลยเออนี่แหละเห็นชัดเนาะอือทำไหมพออีกเรื่องไหม <c oughs> แต่เห็นชัดเนาะเห็นชัดแล้วนา ม, มาร่วมันทํางานคือมีสัญญาเข้ามาทํางานมีสังขารเข้าปรุง ปรุงปรุงจนจนเราไปรู้สึกว่าอีอีขึ้นในใจฮะใช่หรือไม่คือมันปรุงทักขนาดนั้นจริงๆก็มีเนาะทีนี้ไอ้ที่จะเปิดให้ดูต่อไปเนี่ยก็เป็นขอจอลงในจ้าขอจอเลยเป็น เป็นสารคาดีเคยดูไหมตามรอยพระพุทธเจ้ามันนานมาแล้วนะมันประมาณสิบกว่าปีแล้วนะของพานอลามาแล้วไ อ, ไ, อไอสารคาดีชุดนี้แหละที่ทําให้คนไทยตื่นตัวแห่กันไปเที่ยวอินเดียกันเนะ่ยเมื่อก่อนคนไทยไม่เคยสนใจให้อินเดียอย่ามาพูดกับฉันอินเดียนี่คือแบบอืออะไรเงี้ย แต่พอพอรายการรายการพันธเรามากที่เขาเอาเรื่องการตามรอยพระพุทธเจ้ามามันก็ส่งผลให้คนได้ได้ตื่นตัวเรื่องนี้มากๆเลยปิดไฟด้วยจ้าปิดไฟสพอตไลท์เนี่ย มาดูว่าเขาพยายามถ่ายทอดบางอย่างให้เราได้สังเกตให้เราได้ดูขึ้นแล้วอะอะไรฮะเอามานั่งดูดีกว่าอาจารย์ก็จะนั่งดูด้วย คืนหนึ่งของวันเพ็ญเดือนหก่อนพุทธศักราช45ปีเจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ําเ น, นรัญชราหันพระพักไปทางทิศตะวันออกในคืนนั้นได้เกิดเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติขึ้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎความจริงของธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของสังคมในยุคนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่ออย่างใหญ่หลวง ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในชมพูทวีปครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาแม่น้ำเนันชาาเดินข้ามได้เดิน้ามได้อาจารย์ก็เดินข้าม้นี้ประเทศที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของฉันเป็นแม่น้ำที่ตื้นเขินจนเห็นท้องน้ำเป็นผืนทรายกว้างสุดสายตานี่คือแม่น้ำเนรันชาาในเดือนตุลาคม แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนแต่ปีนี้ความแห้งแล้งมาถึงเร็วกว่าปกติแม่น้ำเดนรัญชราจึงเหือดแห้งอย่างที่เห็นแม่น้ำเดนรันชราเป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนากว่า 2,500 ปีมาแล้วณบริเวณหนึ่งบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคือสถานที่ที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเสด็จมาประทับใต้ต้นโพลและได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ สถานที่นั้นก็คือพุทธคยาในเวลานี้พุทธคยาเป็นชุมชนเมืองเล็กๆอยู่ริมแม่น้ำเนรัญชาราที่นี่คือจุดหมายสูงสุดของผู้สแสวงบุญชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาสักการะพระศรีมหาโพธิ์ที่ประทับตั้สรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ภายในบริเวณของมหาโพธิวิหาร มหาโพธิวิหารสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอาโศกเพื่อประดิษฐา น, นรพระบรมสารีา ร, ออา ร, ริกธาตุราว200ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานมหาโพธิวิหารและพระศรีมหาโพได้รับการทำนุกบำรุงและก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจากพระมหากษัตริย์หลายราชวงศ์ตลอดระยะเวลา 1,700 ปีจนกระทั่งาศาสนาพุทธในอินเดียอ่อนแอลง เลือหลังจากพุทธศตรวตรรษที่18อินเดียที่ถูกข่าศึกยกทัพเข้ารุกรานทั้งจากพวกเติร์กและมองโกลพุทธคยาจึงได้รับผลพวงทั้งจากภัยสงครามและความเสื่อมถอยของพุทธศาสนาและได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในวัดโอคุณพระองค์หนึ่งได้พระราชทานที่ดินบริเวณหมู่บ้านนี้ให้เป็นสมบัติของนักบวชนิกายมหันต แต่ถึงกระนั้นก็ตามพุทธคยาก็ยังคงถูกทิ้งให้รกร้างต่อมาอีกเกือบ300ปีจนกระทั่งเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนักโบราณาคดีชาวอังกฤษได้มาขุดค้นพบมหาโพธิวิหารจมอยู่ในดินลึกเกือบ10เมตรส่วนที่อยู่เหนือดินขึ้นมาเป็นกองหินปรากหักพังการบูรณะจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2419โดยอาศัยหลักฐานจากบันทึกของนักเดินทางที่เคยมาพุทธคยาในสมัยโบราณ โดยเฉพาะบันทึกของพระถังสัมจังหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ทําให้รู้ว่ามหาโพธิวิหารมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปนั้นมาจากบันทึกของพระถังสัมจังท่านได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าด้านตะวันออกของโรพธิพลกมณฑลมีวิหารสูงประมาณ160 1 6 0่งรถึงหนึเชียร์กอด้วยอิฐสีครามฉาบด้วยปูนขาวช่องเก็บพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ทุกๆชั้นผนังทั้งสีด้านแกะสลักไว้อย่างงดงามแปลกตายอดวิหารสร้างเป็นรูปพลอมระที่ทำด้วยโลหะทองแดงชั้นนอกฉาบทองคำหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งระบุะไว้ในหนังสือซึ่งแต่งโดยพรามอมอเทวะในปลายพุทธศตรวรรษที่15กล่าวไว้ว่า มหาโพธิวิหารมีการบูรณะจะมีรูปแบบผสมผสานกันระหว่างเทวาลัยของพราหมณ์กับเจดีในพุทธศาสนาคือมียอดเป็นเจดีตอนกลางเป็นปรางตอนล่างเป็นวิหารซึ่งฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเดียวกับมหาโพธิวิหารที่ตั้งประกานอยู่เบื้องหน้าฉันในขณะนี้ กำลังทำการบูรณะอยู่นั้นเซอร์คันนิงแฮมได้เห็นพระสีมหาโพลต้นเก่าแก่โค่นลม้มลงจึงได้ขุดหนอโพลสองต้นที่งอกในบริเวณ น, นั้นเมื่อปลูกในที่เดิมหนึ่งต้นส่วนอีกต้นปลูกแยกไว้ห่างไปไม่ไกลนักบริเวณที่พบพระสีมหาโพลอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ําในปัจจุบันราวส0งเมตรนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นต้นโพที่สืบเชื้อสายมาจากต้นดั้งเดิม แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า 2,500 ปีแต่ก็มีบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวยืนยันถึงการมีอยู่ของพระศรีมหาโพธิ์เสมอนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกเป็นต้นมาแม้ว่าครั้งหนึ่งพระศรีมหาโพธิ์ต้นดั้งเดิมจะถูกโค่นทำลายในสมัยพระเจ้าสะสังกะกระสัดแคว้นเบงกอลในพุทธศักราช1100แต่ก็มีต้นใหม่งอกขึ้นมาจากตอเดิมจเจริญเติบโตขึ้นมาอีกครั้ง เดิมต้นไม้ชนิดนี้ชาวบ้านเรียกว่าต้นปีโป้เป็นไม้ในตระกูลเดียวกับมะเดื่อและไสตต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจึงได้เรียกต้นไม้ที่ตรัสรู้นั้นว่าต้นโพซึ่งหมายถึงต้นไม้แห่งปัญญาพุทธคยาโดยเฉพาะในบริเวณสังเวชนียสถาน ถือเป็นศาสนสถานศักดิก์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลกมานับพันปีแม้ว่าเซอร์คันนิงแฮมจะได้เข้ามาบุรณะพุทธคยาและได้ขุดค้นพบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุมากมายแต่พุทธคยาก็ยังอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเพราะาสิทธิครอบครองที่ดินในบริเวณนั้นเป็นของนักบวชนิกายมหันชาวพุทธไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการหรือดูแลทํานุบํารุงได้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน ในปี2434ท่านอนาคาริกะธรรมปาละชาวศรีลังกาได้เดินทางมาสักการะพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาในสภาพสังเวชนิยสถานที่ทุดโทรมพระพุทธรูปหักพังวางกระจัดกระจายเขาถึงกับตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะอุทิศตัวปกป้องดูแลสถานที่ประทับตราสรู้ของพระพุทธเจ้าแห่งนี้จนกว่าพุทธคยาจะได้รับการครอบครองดูแลโดยพุทธบริษัท ขณะที่พุทธคยาและบริเวณโดยรอบเป็นที่ดินของนักบวชมหัรกรณีพิพาทจึงเกิดขึ้นในการเจรจาครั้งแรกฝ่ายมหานตกลงขายพื้นที่บางส่วนให้แต่เมื่อท่านธรรมปาละรวบรวมเงินที่ชาวพุทธบริจาคมาให้มหารได้เปลี่ยนใจไม่ขายในปีต่อมาท่านได้ก่อตั้งมหาโพธิสมาคมขึ้น ที่เมืองโคกาตาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียกร้องให้นักบวชมหันคืนสังเดชนียสถานพุทธคยาให้แก่ชาพุทธเพราะเวลานั้นโคกาตาเป็นเมืองหลวงของอินเดียการติดต่อ ข, อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงทำได้สะดวกกว่าฉันได้เดินทางไปที่มหาพธทธสมาคมด้วยความอยากรู้เรื่องราวของท่านธรรมาปาละ เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพวกมหารได้เข้ามาทุบตีพระรังกาสี่รูปถึงในกุฏิที่พุทธคยาขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่และบานปลายถึงขั้นห้ามชาวพุทธเข้าไปสแสวงบุญที่พุทธคยาที่รุนแรงที่สุดก็คือในช่วงที่ท่านธรรมปาละนำพระพุทธรูปจากพระสงค์ญี่ปุ่นเข้าไปไว้ในวิหารมหาโพได้ถูกลูกศิษย์มหารหลายสิบคนทาร้ายทุกตีและก็โยนพระพุทธรูปออกมาจากวิหาร เหตุการณ์ครั้งนั้นฝ่ายมาหารถกตัดสินจำคุกหนึ่งเดือนปรับคนละ100รูปีหรือ90บาทแต่ศาลก็ได้สั่งให้ท่านธรรมปาละนำพระพุทธรูปออกไปไว้นอกพุทธคยาด้วยพระพุทธรูปองนั้นปัจจุบันได้นำมาประดิษฐานไว้ในวิหารที่มหาโพธิสมาคมนี้เองเป็นพระพุทธรูปโบราณอายุราว700ปี ในสมัยนั้นมหาโพสมาคมได้เริ่มต้นตีพิมพ์นิตยสารมหาโพเผยแพร่บทความเรื่องพุทธคยาออกไปทั้งยุโรปอเมริกาเพื่อที่จะเรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันสนับสนุนความพยายามของท่านธรรมปาละในการกอบกู้พุทธคยาคืนจากนักบวชมหารเดี๋ยวรับแรงสนับสนุนจากนานาชาติอย่างท่วมทน้นแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนใจฝ่ายมหัารได้นิตยสารมหาโพ กลายเป็นนิตยสารพุทธเล่มแรกของโลกที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2435เป็นหลักฐานสําคัญที่บันทึกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาในอินเดียเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนืบจากนั้นเป็นต้นมามหาโพธิสมาคมก็ได้ผลิตนิตยสารมหาโพนําเสนอบทความทางพุทธศาสนามาอย่างสม่ําเสมอจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา112ปีแล้ว ปัจจุบันมหาโพธิสมาคมเป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ยังคงบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ พ, พุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณาสุขโดยมีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วเมืองใหญ่ในอินเดียและต่างประเทศท่านธรรมปาระใช้เวลา น, นานถึง33ปีความพยายามจึงเริ่มเป็นผล เมื่อพักของเกรซของอินเดียโดยดรราเชนประสาทได้เสนอหนทางปลองดองโดยให้ตั้งคณะกรรมการดูแลพุทธคยาประกอบด้วยชาวพุทธและชาวฮินดูฝ่ายละเท่าเท่ากันแต่จะทําได้ก็ต่อเมื่อออกกฎหมายบังคับขณะที่กระแสความเห็นใจชาวพุทธมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งบุคคลสําคัญของอินเดียอย่างมหาธรรมะคานพีและระพินทรนาถาบุญก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่า ชาพุทธควรมีสิทธิ์ดูแลพุทธคยาซึ่งได้สร้างความกดดันให้กับฝ่ายมหารอย่างมากแล้วจากนั้นอีก25ปีกฎหมายพุทธคยาปี2492จึงได้ออกมาแล้วเริ่มมีผลใช้บังคับแต่ว่าขณะนั้นท่านธรรมปาละได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วถึง19ปี ทพบนธรรมปาละที่วังเก่าครับ อ, อ, อนาคาริกาธรรมปาละเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือชื่อว่า The Light of Asia คือแสงแสงบัตทิพยแห่งเอเชียซึ่งแต่งโดยท่านเซอร์เอ็ดวินอาโน่ก็ก็ได้อ่านอ่านแล้วก็เกิดความศรัทธาเขาเลยเาเลยมาพอมาเห็นก็ก็เกิดศรัทธาตั้งใจมั่นเลย กลับไปขายทรัพย์สมบัติที่สีหลังกาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างประกาศตัวเป็นอนาคาลิกไม่มีเรือนเข้าใจไหมเพื่อที่จะมาเป็นนักบวชในรูปแบบของของโยมเพื่อจะทํารูปแบบนักบวชที่ที่เป็นอนาคาลิกอะเป็นโยมที่ไม่มีเรือนแล้วก็พยายามจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งพุทธคยา จากแรงบันดาลใจหนังสือซึ่งดวงประทีมแห่งเอเชียเนาะลองไปหาดูอ่านดูด้วยกันว่าหนังสือเล่มนี้มันอ่านแล้วมันน่าประทับใจขนาดไหนน ะ, นะเชิญครัเรเดินทางไปพบนักบวชมหารที่วังเก่าขนาดใจซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาโพธิวิหารถไตรนนะักและได้รับอนุ ญ, ญาตให้เข้าสัมภาษณ์หัวหน้ามหารคนปัจจุบันเพื่อพูดคุย ถามถึงเรื่องราวความขัดแยง้งระหว่างธรรมปาละกับนักบวชมหันเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งพวกเขาก็ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีอาจ า, ารย์ก็เคยเข้าไปในวังัยว่าอะไรทําให้ไฟไหม้เคยเข้าไปในในวังของเขาอยู่นะเขาก็เรียกว่าวัางยิงอะเพราะมันไม่ใช่เป็นแค่บ้านนะแต่มันแบบใหญ่โตมโหฬารจริงๆเพราะเขา เขาเป็นเจ้าของที่ดินที่นั้นหมดเลยนะแล้วก็เขาก็จะมีพวกโรงเลี้ยงช้างโรงเลี้ยงม้านะสม่งตั้เดือนนี้มันไม่มีละเมื่อก่อนเขาจะมีตรงนี้เพราะว่าเอาไว้สําหรับให้คนขี่ข้ามข้ามแม่น้าไปอีกฝากหนึ่งอะ่ะเพราะว่าชาวบ้านแถวเนี้ยเช่าที่ดินเ้าหมดเลยเขาก็เป็นกลุ่มนักบวชที่มีอิทธิพลมีอิทธิพลเพราะว่าเขาได้รับพระราชทานจากจากกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลให้เป็นผู้ที่ดูแลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนี้ มหันยอมปลกเปลี่ยนใจหลังจากที่เรื่องยืดเยื้ออยู่นานเกือบ60ปีฉันนัดพกับคุณปราลาซึ่งรู้จักกับคนในตระกูลมหันดีเขาจะพาฉันไปที่วังมหันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวิหารมหาโพนัก อมนาตคุปตะเป็นเลขาของหัวหน้านักบวชมหารคนปัจจุบันมายืยนรอรับเราอยู่หน้าประตูวังที่อยู่ของนักบวชมหารใหญ่โตสมกับที่เรียกว่าวังจริงๆสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตรวรรษที่21ปัจจุบันก็มีอายุถึง400ปีแล้ววังมหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนรันชารา ในอดีตพวกเขาเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าไว้มากมายเพื่อให้ชาวบ้านได้อาศัยขี่ข้ามแม่น้ำในหน้าฝนซึ่งระดับน้ำจะขึ้นสูงมากคุณอมร น, นาศนำชั้นผ่านประตูชั้นในเข้าไปข้างในมีลานกว้างล้อมรอบด้วยห้องหับมากมายสูงหลายชั้นตรงกลางลานเป็นที่ประกอบพิธีมีบัลลังก์งหัวเสือสำหรับให้หัวหน้ามาหาร น, นั่ง ปัจจุบันมีนักบวชมหารอยู่ห0ิคนมีสานุษย์อีกราวหนึ่งคนทั้งหมดพักอาศัยอยู่ในวังแห่งนี้มหารเป็นฮินดูนิกายที่บูชา พ, พระศิวะในอดีตที่นี่มีมหารอยู่ร่วม3ามพันคนพวกเขาเคร่งครัดในบทบัญญัติของาศาสนาฮินดูที่ว่าพระหรือมหาฤาษีจะมีครอบครัวไม่ได้ผู้ที่จะสืบถายญาติเป็นหัวหน้าตระกูลมหารคนต่อไป จึงต้องคัดเลือกจากนักบวชที่เข้ามาอยู่ในนิกายนี้หัวหน้านักบวชมหารคนปัจจุบันเป็นลำดับที่สิบแปดชื่อมหารศรีสุทัศนะคิรี สืบทอดตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2542ขณะที่ฉันกำลังจะเข้าไปสนทนากับมหารศีสุทัศนะคิรีก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอให้ช่วยทำพิธีขอพรเทพเจ้าให้เธอมีลูกเมื่อถึงเวลาที่ฉันจะได้คุยก็ได้รับคำตอบว่ามีอะไรให้คุยกับคุณอมรนาถได้เลยส่วนหัวหน้ามหารจะนั่งดูอยู่เท่านั้น ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรหรือว่าเลขาท่านเป็นคนธรรมดาอาจรู้เรื่องต่างๆในตระกูลมากกว่าน <oh, okay. ักบวชเมื yeah <S <S yeah. ่อฉันถามถึงความขัดแย้งระหว่างธรรมปาละกับตระกูลมหารในครั้งนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและทำไมมหัรจึงไม่ขายที่ดินที่พุทธคยาเขาตอบว่าไม่ทราบครับ แล้วตัวท่านเองนั้นเคยได้ยินเรื่องของท่านธรรมปาละบ้างไหมคะคคณะกรรมการเะบคณะกรรมการเเี่ยขาาดามาเใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกมหารหมอบให้ชาวพุทธไม่เคยคิดเงินเลยนะครับและทุกวันนี้ก็ไม่เคยด้วยเรื่องของธรรมปาละนั้นเข้ามาที่อินเดีย และตั้งมหาโพธิสมาคมในปี2434ก็ได้พวกมหารที่เป็นคนมอบที่ดินส่วนหนึ่งให้เขาอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับวัดต่างๆที่สร้างกันอยู่หน้าพุทธคยาทั้งวัดที่เบตมหาโพธิสมาคมวัดจีนทั้งหมดนั้นมหารมอบที่ดินให้สร้างฟรีๆรวมทั้งวัดญี่ปุ่นด้วยเขาบอกนะครับว่าเมื่อสองปีก่อน มหารก็ได้ให้ที่ดินแก่รัฐบาลมองโกเลียเพื่อสร้างวัดพวกเขาทำสิ่งดีๆให้กับชาวพุทธนะครับฉันรู้สึกว่าพวกเขาพยายามเลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นมากกว่าจะยอมพูดถึงความขัดแย้งกับท่านธรรมปาละไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลัวหัวหน้ามหารหรือเปล่าหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแบบนี้ฉันพยายามถามวนเวียนอยู่หลายครั้ง ก็ไม่ได้ความคืบหน้าได้มาแค่ว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นเกิดขึ้นในสมัยนักบวชมหารคนที่14คุณอมรนาจบบทสนท น, น, นาด้วยการพาชั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อดูอนณาเขตของมหารในพุทธคยาเขาชี้ให้ดูพื้นที่โดยรอบวังมหรัรเนืวราชมี2กิโลเมตรเป็นที่ดินของตระกูลปัจจุบันมหารได้ให้ที่ดินเปล่าแก่โรงเรียนและวัดต่างชาติบางวัดโดยไม่คิดเงิน สำหรับที่ดินเก่าแก่ที่เคยให้ชาวบ้านเช่าพวกเขาก็ไม่เคยขึ้นราคาเลยคือประมาณเดือนละเ0้าร้อยบาทฉันถามเขาว่ามีภาพถ่ายของหัวหน้ามหารคนที่14อยู่บ้างหรือเปล่าก็ได้ความว่ามีและติดอยู่บนผนังห้องที่เราคุยกันนั่นเองอ น, เนอกจากจะได้เห็นภาพถ่ายของหัวหน้ามหารคนที่14แล้วยังพบว่ามหารศรีสุทัศนาคีรี หัวหน้ามหารคนปัจจุบันยังนั่งอยู่ที่เดิมฉันพยายามลองถามอีกครั้งเพื่อท่านจะยอมตอบบ้างและก็ได้ผลเกินคาดความขัดแย้งระหว่างมหารกับธรรมปาละในเวลานั้นเกิดขึ้นก็เพราะมหารปกครองพุทธกยาอยู่ดั่งเดิมและเราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอวตารองที่เก้าของพระวิษณุจึงเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกัน แล้วทำไมตอนนั้นมหารถึงได้ยอมเปลี่ยนใจให้ชาวพุทธเข้ามาดูแลต่อละคะก็เพราะในตอนนั้นประธานาธิบดีอินเดียได้มาหาหันหน้ามหารคนที่14และขอให้พวกมหารยอมตกลงโดยทำตามกฎหมายพุทธคยาปี2492ซึ่งให้ตั้งคณะกรรมการจัดการดูแลพุทธคยาโดยมีฝ่ายฮินดูสี่คนพุทธ4ี่คนและมีประธานซึ่งมาจากนายอาเภอพุทธคยาอีกหนึ่งคน กรรมการเจ็ดใน8คนจะต้องเลือกใหม่ทุกปีส่วนอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการถาวรซึ่งเป็นโควตาของหัวหน้ามหันนั่นเองไม่ว่ามหาันจะยอมอ่อนข้อลงเพราะถูกขอร้องหรือเพราะกระแสสังคมบังคับก็ตามฉันก็หมุดข้อสงสัยแล้วขณะเดินทางกลับฉันสังเกตเห็นพระพุทธรูปโบราณหลายองค์และรอยพระพุทธบาท วางอยู่บริเวณระเบียงชั้นล่างพระพุทธรูปแต่ละองค์สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการบูชาหรือร่องรอยการดูแลรักษาถ้าพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุที่ขุดพบที่พุทธคยาตั้งแต่สมัยที่ตระกูลมหารครอบครองที่ดินบริเวณ น, นั้นก็แสดงว่าทั้งพระพุทธรูปแล้วรอยพระพุทธบาทที่ถูกคนย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ต่ำกว่า300ปี สำหรับชาวพุทธอย่างฉันโบราณวัตถุเหล่านี้มีค่ามาหาศาลประเมินไม่ได้จริงๆน่าเสียดายที่ถูกวางทิ้งไว้เช่นนี้พุทธคยาได้กลายเป็นสถานที่สําคัญที่สุดของชาวพุทธและชาวโลกเพราะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลักในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสามารถทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขพระองค์ทรงใช้เวลาหปีบปําเพ็ญเพียรพยายามอย่างหนัก จนคนพบสิ่งที่สําคัญที่สุดให้กับมวลมนุษยชาติสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบคืออะไรปัจจุบันชาวบ้านในพุทธคยาให้ความเคารพและศรัทธาในนักบวชมหารมากทั้งเหนี่วเรื่องการทําพิธีทางศาสนาและยังได้พึ่งพาอาศัยที่ดินของตระกูลมหารในการทํามาหากินและสร้างบ้านเรือน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติยังคงเป็นวิถีทางของทั้งชาวพุทธและฮินดูที่เห็นได้ในพุทธคยาในทุกวันนี้ปัจจุบันวัดฮินดูของนิกายมหันซึ่งตั้งอยู่หน้ามหาโพธิวิหารยังคงดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนเช่นเคยพวกเขายังคงนำเครื่องบูชาเข้าไปสักการะฐานศิวลึง ในวิหารมหาโพทุกๆเช้าไม่เคยขาด <คน S 1> แม้ทุกวั น, นไม่รู้ว่าองค์ศินนลงไปไว้ไไอนเิาลแล้วก็ตามตังเนี้ยมันเป็นแท่นศิวลึงเนไทยไม่รู้เห็น้นิสัยคนไทยขณะที่าชาวุก็จะต้องนำพัะตาหารไปถวายพระพุทธรูปภายในวิหารทุกวันพระพุทธรูปบางมาณวิชัยองค์นี้อายุราว 1,400 ปีสร้างด้วยหินแกรนิตสีดาแล้วทาทองทับทั้งองค์ เป็นฝีมือของตระกูลช่างพุทธคยาซึ่งมีชื่อเสียงในการสร้างพระพุทธรูปด้วยหินแกรนิตสีดําเมื่อพระถังซัมจั๋งเดินทางมาที่นี่ในพุทธศตรวตรรษที่12ก็พบว่ามีพระพุทธรูปบางมานวิชัยองค์นี้ประดิษฐานอยู่ก่อนแล้วพระพุทธรูปองค์นี้คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าขณะประทับตรัสรู้เพราะด้านหลังคือตําแหน่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันต ก, กนทเท่ากับว่าพระพุทธรูปนั่งหันหลังให้ต้นโพและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมองไปทางแม่น้ำเนรัญชราเช่นเดียวกับพระพุทธ เ, ธเจ้าปัจจุบันบริเวณภายในพุทธคยาอยู่ในความดูแลของพระภิกษุที่ถูกมอบหมายให้ดูแลทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยและการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสองฝ่าย ตามกฎหมายพุทธคยาปี2492ตลอดเวลากว่า40ปีที่พยายามกอบกู้พุทธสถานคืนมาสู่ชาวพุทธท่านธรรมปาละได้ตระเวนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ธรรมะและหาแนวร่วมทำให้พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกานับตั้งแต่นั้น ชาวพุทธจากทั่วโลกต่างรู้จักพุทธคยาและหลั่งไหลมาสักการะมหาสังเวชนียสถานแห่งนี้ตลอดเวลาที่สำคัญได้ส่งผลให้ผู้คนเริ่มตื่นตัวกับการค้นหาแหล่งโบราณคดีที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติโดยรอบเมืองพุทธคยากันอย่างขนาดใหญ่ พระเจ้าเสด็จออกบรรพชาลทัทธิความเชื่อของพราหมณ์ในเวลานั้นก็คือการสแสวงหาหนทางบรรลุความหลุดพ้นเพื่อการเข้าถึงพรหมในที่สุดโดยการปฏิบัติในสองแนวทางทางหนึ่งคือการบำเพ็ญตบะซึ่งเป็นการทรมานร่างกายอีกทางหนึ่งคือโยคะเป็นการฝึกใจเพื่อให้ดวงจิตบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าได้เลือกศึกษาในแนวทางโยคะ ับอาจารย์สองสำนักในแค้นมคตจนจบขั้นสูงสุดแต่ก็ยังไม่เห็นผลสำเร็จอย่างแท้จริงจึงเสด็จออกจากสำนักดาบทเพื่อจับคน้นคว้าด้วยตัวพระองค์เองโดยการฝึกฝนในแนวทางบัมเพนตะบะซึ่งเป็นการทรมานตาอย่างหนักที่สุดจากมหาโพธิวิหารข้ามแม่น้ำเนรันชราไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราว25กิโลเมตรจะมองเห็นหน้าผาสูงชันบนทิวเขาที่ทอดยาวไปไกลที่นั่นคือดงคาสสิริที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตบะเพื่อบรรลุถึงความหลุดพ้นด้วยการทรมานร่างกายภายในถ้ำเล็กๆบนเขาปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีวัดที่เบสมาตั้งอยู่และกลายเป็นผู้ดูแลสถานที่ไปโดยปริยาย ภายในถ้ำ ม, มีพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขะกิริยาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยมาสร้างไว้พระพุทธเจ้าทรงครนพบว่าการทรมานร่างกายมากเพียงใดก็ยังไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์ได้พระองค์จึงหยุดการบำเพ็ญตบะและกลับมาฉันอาหารให้ร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมเพื่อที่จะมีกําลังวังชาศึกษาหนทางตรัสรู้ต่อไป พระพุทธเจ้าทรงดำริว่าการกระทำใดๆจะสำเร็จได้ควรเดินทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงจนเกินไปพระพุทธเจ้าทรงกลับไปใช้ทางปฏิบัติของโยคะคือทำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่บริสุทธิ์แต่ครั้งนี้พระองค์ได้ส่งค้นคว้าทางจิตต่อไปจากขั้นสูงสุดที่เคยเรียนมาจากพระอาจารย์ดาบท จนกระทั่งเกิดพระปัญญาซึ่งเรียกว่าญาณขึ้นจนนำไปสู่การตรัสรู้ในที่สุด <naz i> <todo. S 2> ห่างจากต้นพระศรีมหาโพ ร, ราวหนึ่งกิโลเมตรนักโบราณคดีได้ขุดพบเจดีโบราณและพระพุทธรูปอายุกว่าน1น0 0ปีที่หมู่บ้านบักกะเราการได้พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเหล่านี้ทำให้สันนิษฐานกันว่า หมู่บ้านนี้น่าจะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในพุทธประวัติซึ่งก็คือหมู่บ้านของนางสุชาดาซึ่งมีชื่อเดิมว่าบ้านเสนานีหรือเสนานิคมคัมภีร์พุทธศาสนาได้กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเลิกบำเพ็ญทุกระกิริยาก็ทรงจ่าฤกษ์ไปทำนักใต้ต้นไทรบริเวณริมแม่น้ำเนรัญชราใกล้กับหมู่บ้านเสนานิคมซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้า ได้รับการถวายข้ามาัทุปปายาตจากนางสุชาดาปัจจุบันบริเวณ น, นี้อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านบักกะเราชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณที่ถวายข้ามาัทุปปายาตคือจุดที่มีต้นไซใหญ่อยู่บนเนินดินพวกเขาจึงได้ไปสร้างวัดเล็กๆไว้เป็นอนุสรสถานแกนางสุชาดาเมื่อ50าปีที่แล้วนี้เอง ใกล้นนั้นมีวัดของฮินดูสร้างอยู่ในบริเวณต้นไทรมานานถึง250ปีชาวบ้านที่นี่บอกว่าชาวฮินดูเองก็นับถือพระพุทธเจ้าเช่นกันเพราะถือว่าเป็นพระอวตารองค์ที่9ของพระวิษณุเมื่อพระพุทธเจ้าทรงฉันข่ามตุ ป, ปย า, า, ายาตแล้วอวตารเนี่ยเป็นคำภีที่กลืนกลืนทุกศาสนาเลย กลืนทุกศาสนาแบบเนียนๆมากเลยคือว่าพระนารายณ์อวตารมายึดครองหมดเลยทุกคนที่แบบเป็นดังๆทุกคนที่แบบเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นอวตารของพระนารายณ์หมดเลยกฤษณะก็เป็นนาลายอวตารพระรามก็เป็นนาลายอวตารนะพระรามเป็นปางที่7กฤษณะปางที่9พุทธเจ้าปางที่เออกฤษณะปางที่8 พระเเจ้าปางที่เกเขาเขียนไว้ปางที่สิบด้วยปางที่สิบนาฬิวาตานคือผู้ชายขี่ม้าขาวบุรุษขี่ม้าขาวว่านคนไทยก็เลยมีคําพูดถึงว่าไม่มีคนขี่ม้าขาวมีไม่มีเพ่ขี่ม้าขาวมาช่วยเข้าใจว่ารอเพ่ขี่ม้าขาวมาช่วยใช่ไหมเนี่ยไอ้คาพูดเนี่ยมันติดปากมาจากไอ้ตรงนี้แหละนะเขาก็เขาก็ดักไว้เหมือนกันเราก็บอกว่าเราจะมีพระศรีอาน เราบอกเรามีภาษีอานต่อจากพระพุทธโกดมใช่ไ่มเขาก็เขียนปางที่10ิบรอไว้เลยบุรุษขี่ม้าขาวก็ได้เสด็จข้ามแม่น้ําไปประทับที่ใต้ต้นโพฉันสังเกตว่าบริเวณริมฝั่งแม่น้ําเนลดันชรามีกองหญ้าขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตลอดแนว หญ้ า, า, าเหล่านี้มีชื่อว่าหญ้ากาุสะซึ่งเป็นหญ้าชนิดเดียวกับที่คนหาบหญ้านำมาถวายพระพุทธเจ้าระหว่างทางก่อนถึงต้นโพและเมื่อเสด็จมาถึงก็าาใช้หญ้าปุสะนั้นปูลาดลงเป็นที่ประทับวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนหกซึ่งคํานวณกันว่าเป็นวันพุธปีรากาพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบนหญ้ากุสะใต้ต้นโพหันพระพักไปทางตะวันออก สู่แม่น้ำเนรดันชราและในคืนนั้นเองที่พระองค์ทรงประสลง พุทธศาสนาได้กล่าวถึงเหตุการณ์ภายหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ระยะหนึ่งที่พุทธคยาวิมุตติสุขในที่นี้เป็นความสุขของใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาทบทวนความรู้ที่ทรงค้นพบอยู่นานถึงสามยามก็ทรงย้ายที่ประทับจากต้นพระศีมหาโภลไปเสวยวิมุตติสุขใต้ร่มไทรณที่นี้ทรงสอนผ่ามผู้หนึ่งว่า การจะเป็นพรามได้นั้นไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดแต่ต้องเป็นคนดีไม่มีกิเลสและมีความรู้ในพระเวทจากนั้นทรงย้ายไปประทับใต้ร่มไม้จิกหรือมุจจลินได้ทรงคิดหลักการใหม่ในอีกสิ่งหนึ่งคืออนัตตาหรือความไม่มีตนเองซึ่งเป็นแนวคิดที่หักล้างแนวคิดเรื่องอาตมันหรือลัทธิเรื่องตนเองของพราม ส่วนที่ประทับแห่งที่สาคือใต้ร่มไม้เกศหรือราชายัตนะที่ซึ่งพ่อค้าชาวพม่าสองคนได้นำอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าและถือว่าเป็นอุบาสกคู่แรกของพุทธศาสนาระยะเวลาและสถานที่สเสวยวิมุตติสุขในแต่ละตำราศาสนาแตกต่างกันนอกจากสามแห่งนี้บ้างก็เขียนเอาไว้ว่ามีถึงเจ แ, แห่งแห่งละเจวันตั้งแต่สมัยโบราณ จึงได้มีการสร้างจำลองสถานที่สเสวยวิมุตติสุขเอาไว้โดยรอบวิหารมหาโพธิ์เจแห่งเพื่อเป็นพุทธบูชาและมหาชนได้ระลึกถึงวาระแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพนตรีรลวงวิจิตพัฒการได้อธิบายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเทียบได้กับความสําเร็จของนักคิดคน พะเมื่อศึกษาเราเรียนหรือค้นคว้ามามากมายลงท้ายได้พบอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นกุญแจสำคัญเปิดคลังวิทยาการเห็นทางสว่างให้ความคิดอื่นงอกงามออกไปด้วยแต่อาจจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่ามากเพราะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมทั้งกายและจิตใจด้วยคำถามจึงมีว่าพระพุทธเจ้าส่งค้นพบอะไรจึงนาไปสู่การประกาศศาสนา ทุวีปในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าปรัสรูนั้นเป็นสังคมที่มีเทพเจ้าเป็นที่เยี่เหเี่ยวจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับการสวดอ้อนวอนและบูชาเทพเจ้าแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นสังคมของกลุ่มชนชั้นปัญญาชนพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของเทพเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เชื่อในการทาพิธีอ้อนวอนร้องขอจากเทพเจ้า แต่เชื่อในการค้นหาที่ตนเองว่าจะสามารถพบกับหนทางหลุดพ้นจากวงเวียนความทุกข์ในโลกมนุษและเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกแสวงหาคําตอบเช่นเดียวกับกลุ่มปัญญาชนแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งนั้นกลับสวนกระแสความคิดในสังคมยุคนั้นโดยสิ้นเชิง ที่สังคมยุคดั้งเดิมเชื่อเรื่องพระพรหมคือเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกและทุกสรรพสิ่งแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบว่าชีวิตทั้งหลายเกิดจากส่วนประกอบของกายและจิตขณะที่ความคิดดั้งเดิมเชื่อในเรื่องการนำวิญญาณกลับเข้าไปรวมกับพรหมคือจุดหมายสูงสุดของชีวิตพระพุทธเจ้าสงพบว่า จุดหมายสูงสุดคือ น, นิพพานซึ่งเป็นความดับในสองความหมายคือดับจากกิเลสและดับศูนย์ไปเลยทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้กลับไปรวมกับพรหมและขณะที่สังคมดั้งเดิมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เป็นการดนบันดาลของเท พ, พเจ้าแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบหลักของเหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุมาก่อนจึงมีผลไม่ได้เกิดจากการเดินบันดาลของเท พ, พเจ้าหลักการที่ส่วนกระแสความเชื่อในสังคมอย่างสิ้นเชิงได้กระทบต่อสถานะของพรามในยุคนั้นอย่างรุนแรงเพราะพรามเคยมีอำนาจสูงมากในฐานะผู้ทำพิธีติด ต, ต่อกับเท พ, พเจ้าเมื่ออำนาจเริ่มถูกสั่นคลอน ทางส่วนใหญ่จึงเริ่มมองพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธอย่างเป็นประปักษ์ตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันความเชื่อในเรื่องเทพเจ้ายังคงดำรงอยู่ในสังคมอินเดียที่ยังต้องการเทพเจ้าเป็นที่พึ่งยามที่พวกเขาเดือดร้อนมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ปีนี้แห้งแล้งมากฝนไม่ตกมานานแล้ว ข้าวที่ปลูกไว้ก็เริ่มแห้งตายฉันเลยต้องมาขอให้เจ้าแม่กาลีช่วยและฉันก็หวังว่าท่านจะต้องช่วยพวกเรานางชานกีและชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นับถือเจ้าแม่กาลีพวกเขาได้สร้างวัดเในหมู่บ้านเพื่อเอาไว้ทำพิธีบูชาและสอกการเพ่อแค่จ้าแพรับบาปแพะตัวผู้หนึ่งตัวถูกนามาเส้นสังเวย ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะให้แน่ใจว่าเจ้าแม่จะพอใจจริงๆต้องบูชายานแพะทั้งฝูงซึ่งก็ต้องใช้เงินจำนวนมากความเชื่อดั้งเือมเชน่นนี้ได้ฝังรากลึกในสังคมอินเดียมานานแม้ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์จะมีแนวคิดใหม่ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็ตาม แต่ในที่สุดสาศาสนาพุทธก็ไม่อาจฝ่าธรรมเนียมอันแข็งแกร่งของลทัทธิกรามไปได้ <_" S 1> พุทธคยาในปัจจุบัน <_" S 1> เป็นศูนย์กลางของชาวพุทธจากทั่วโลกมีวัดพุทธนานาชาติเกือบ30แหง่ง และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ อ, อย่างวัดไทยเนรันชาราแห่งนี้ก็เป็นวัดไทยแห่งที่สามในพุทธคยาที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำเนรันชาร า, าพิธีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาที่วัดไทยพุทธคยาเราจึงได้เห็นพระสงฆ์จากชาติต่างๆมาร่วมงานกันมากมาย มีชาวอินเดียในพุทธคยาจำนวนไม่น้อยที่นับถือาศาสนาพุทธแม้พวกเขาส่วนใหญ่จะยากจนแต่ก็ยังแบ่งปันอาหารมาร่วมใส่บาทให้พระสงฆ์ในวันสำคัญเช่นนี้พระสงฆ์ไทยที่มาปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูตในอินเดียยังได้ทำหน้าที่สอนธรรมะแก่ชาวอินเดียทุกวันพระพวกเขาห่างเหินจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปนานหลายชั่วอายุคน เด็กรุนใหม่เหล่านี้อาจเป็นความหวังเป็นเมล็ดพันธุ์ของพุทธศาสนายุคใหม่ที่จะเติบโตงอกงามในอินเดียอีกครั้งพะระธรรมปีดกปอปยุตโตได้อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าในหนังสือจาริกบุญจาริกธรรมของท่านว่าจากเทพเจ้าที่โดนบันดาล พระพุทธเจ้าเบนความสนใจของประชาชนมาสู่ความจริงแห่งกฎธรรมชาติคือธรมรมส่งดึงประชาชนจากเทพมาสู่ธรรมจากการถือว่าเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุคพุทธกาลเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติสังคมเลยทีเดียวครับเพราะในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันาดาลของเท พ, พเจ้าพระพุทธเจ้าดึงให้พวกเขามาสนใจในตัวธรรมที่อยู่ในธรรมชาติคือความจริงแห่งความเป็นไป ตามเหตุปัจจัยซึ่งถือเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาครับเคยดูไหมเคยรู้เรื่องไหมว่ามีสารคดีแบบนี้อยู่มันมีทั้งหมด1ิบาแผ่นสิบสามตอนน่าจะหาสั่งซื้อได้ถ้าไม่ได้ก็เปิดหาตาม Google เรา ก็จะมีให้ให้โหลดเอาไว้ดูได้จากที่เมื่อกี้อาจจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่พุทธศาสนาไม่อาจจะฝ่าธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์ที่มันแข็งแกร่งอะไรหรอกจริงๆแล้วพุทธศาสนาไม่อาจจะฝ่าความเคยชินของมนุษย์ ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะมันง่ายมากกับการที่จะอ้อนบอนร้องขอใช่ปะ่ะาได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขออ้อนรอนไว้ก่อนขอร้องขอไว้ก่อนแม้ชาพูดธเราทุกวันนี้ที่เมืองไทยเราเนี่ยจึงไม่แปลกไงที่วัดวาอารามต่างๆจะมีเทพเจ้านะทุกวันนี้ก็ยังมีเนี่ย ใหญ่กว่าพระพุทธรูปในโบสถ์อีกพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดพระศิวะใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ไหนอยู่ที่วัดเข้าใจมมันกลายเป็นว่าการวอนวอร้องขอมันเป็นมันเป็นสิ่งที่โดยเนื้อแท้ของมนุษย์ที่ไม่เคยมั่นใจในตนเองนั้นก็อาศัยเรื่องเหล่านี้แหละ พาหงเวสระนังยันติปปพตานิวตานิจะอารามรุขาเจตยานิมโนสะพยาตจิตตาเมื่อมนุษย์เห็นว่ามีภัยเกิดขึ้นกันตนเองหวาดกลัวต่อภัยเหล่านั้นเกรงว่าภัยเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหมนะท้งวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดอะไรก็ตามที่มนุษย์ไม่อาจจะหาคําตอบได้ว่ามันเกิดจากอะไรความกลัวมีไหมเมื่อความกลัวมีมนุษย์ก็แสวงหาว่าทํายังไงสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถหรือว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ทํำร้ายเราวิธีการง่ายที่สุดคือยอมเป็นลูกน้องคิดกันง่ายๆตรงๆนี่แหละฮยอมเป็นลูกน้องสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ทําร้ายเราเพราะฉะนั้นก็เกิดการยอมซิโรราบ ยกสิ่งเหล่านั้นเป็นเท พ, พเจ้ามีเท พ, พเจ้าเริ่มต้นคือเทพศาสนาเริ่มต้นของมนุษย์คือศาสนาบูชาธรรมชาติจากนั้นเมื่อบูชาธรรมชาติเสร็จก็ซับซ้อนขึ้นต้องมีเท พ, พเจ้าประจําธรรมชาติจากนั้นเมื่อมีเท พ, พเจ้าก็ต้องมีเท พ, พเจ้าสูงสุดที่ดูแลเท พ, พเจ้าเหล่านั้นอีก ม, มันซับซ้อนขึ้นเห็นไหมแต่ทั้งหมดมันก็จากความคิดของตัวเองทั้งนั้น ความคิดที่หวาดกลัวภัยมันเป็นความทุกข์ใจที่มันไม่รู้ทันเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงเห็นว่าความทุกข์ใจของเราที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดน่ะมันเกิดจากการทำงานของขันห้าโดยเฉพาะสัญญาขันสังขารขันที่มันทำงานตัวนี้เองที่ทำให้มนุษย์หวาดหวั่น ว, วิตกกังวล ้ความคิดที่เกิดขึ้นในใจเราอะไรๆอี๋อีอ๋อีนั่นแหละโอ้เจ๊งกลัวไม่เทพเจ้ากลัวเทพเจ้าเก็ดเห็นเทพเจ้าไหมไม่ไมพะระนารายณ์หน้าตาเป็นไงปั้นคือคือเนี่ยอาจารย์เขาปั้นรูปพะระนารายณ์คือคือนะอปันพระศิวะคือคือเนาะ เขาปันพิกเนตคื้อคืนนะเคยเห็นเหรอไม่เคยไม่เคยแต่บอกคื้อคือถ้าถามว่าเวลาคนเราคิดถึงเทพเจ้าจะคิดแบบก็นี่ก็เห็นแบบนั้นก็ปั้นแบบนั้นมาแล้คิดแบบนั้นอาจารย์เคยเห็นนะ <c oughs> <c oughs> บ้านเราพระอินทร์สีอะไร <c oughs> พะ อ, อินทร์สีเขียวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อาจารย์เคยดูนะพิกเนตศึกอวตารอะไรนั่แหละช่องแปดมีไหมช่องช่องแปดใช่ไหมช่องไหนพขอชอบมาฉช้เปิดไปเจอทีเคยเห็นนะบอกนี่คือพระอินทร์นอะ ไม่เห็นตัวสีเขียวแบบไทยเลยพอินอินเดียไม่เห็นตัวสีเขียวแบบไทยเลย้คนไทยเอาพอินสีเขียวมา่างไหนวะเห็นใส่มงกุดแบบไทยด้วยไม่เห็นใส่ชะดาแบบไทยเลยเห็นเป็นชะดาแบบอินเดียด้วยเข้าใจไหม อินเดียมีสัญญาอย่างนั้นมีรูปภาพอย่างนั้นมีการความเชื่อเขียนจินตนาการมาอย่างนั้นก็สร้างรูปลักษณ์แบบนั้นขณะที่ไทยก็มีรูปลักษณ์แบบของไทยปราสาทราชวังนะนี่นี่แหละปราสาทราชวังต่างๆไทยก็สร้างแบบไทยเนี่ยแต่งตัวแบบไทย สัญญาเหล่า น, นี้มันมีมันเข้ามาทำงานสร้างกระบวนการจริงนี่แหละตัวบงการที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่อาจเป็นอิสระแล้วความทุกข์ตัวเนี้ยที่มันทำเราต้องว่าอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ทุกวันทุกขณะที่มันเกิดจมจมในวังวนแห่งความคิดนั้น เพราการเป็นอิสระที่แท้จริงคือเป็นอิสระจากความคิดงั้นแปลว่าต้องไม่คิดใช่ไหมเป็นอิสระจากความคิดไม่ได้แปลว่ามันไม่ต้องคิดหมายความว่าความคิดมันจะเกิดกับเรื่องของมนันแต่ไม่มีผู้เข้าไปเป็นไม่มีผู้จอมจอมไม่มีผู้สเสวยกับเรื่องราวเหล่านั้นอีกต่อไปเห็นเป็นเพียงขันมันทํางาน อ๋อนี่เองอ๋อนี่เองเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงเปิดฉากด้วยเรื่องเมนูเด็ดสิบเมนูแปลกๆให้เราเห็นความไร้สาระที่มันสามารถโยนมาให้คุณได้ทุกอย่างเข้าใจไหมให้คุณสร้างปาปุงไว้เรื่อยแล้วคุณก็รู้สึกอีอีในใจของคุณกับเรื่องราวที่คุณสร้างขึ้นเองเนั้นนะเราหวาดกลัวเราขยักแยง เราชื่นชมเรายินดีเราเป็นสุขหรือเราเป็นทุกข์กับเรื่องราวภายในใจเราทั้งนั้นที่มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูกระทบมันจบไปแล้วแต่ไอ้ตัวสั่นสะเทือนภายในใจเราต่างหากเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเข้าใจไหมที่มันสร้างขึ้นในใจเราต่างหาก เราหลงไปเพราะความไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้แหละไม่มีสติที่จะรู้ทันเรื่องเหล่านี้ไม่รู้เรื่องความทุกข์มันเกิดได้ยังไงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ได้ยังไงมันก็เลยไปอย่างเงี้ยความไม่รู้นั่นแหละทให้เราเป็นทุกข์อย่างนั้นฮันเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือมัน ที่จะไปเห็นมันที่จะเข้าไปพบกับมันมันจเจริญสติเพื่อให้รู้ทันกับกระบวนการเหล่านั้นให้มากขึ้นให้มันเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นจนมันเข้าใจความจริงทำไมอ า, าจารย์กล้ายืนยันขนาดนี้ไม่แทงกั๊กเลยนะเนี่ยแต่งอย่างเดียวเลย ไม่มีแทงกักเรื่องเรื่องการดับทุกข์มันไม่ต้องแทงกักมันพูดกันตรงๆเลยไม่ไม่ไม่หวั่นไหวคือว่าเราอาจหานในเรื่องนี้เรื่องอื่นเราไม่อาจหานเรื่องพาไปดูนรกสวรรค์เราไม่อาจหานใครมาเถียงเรื่องนรกสวรรค์กันเราเราก็เถียงสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าพูดเรื่องการเกิดขึ้นของทุกข์และการดับลงแห่งทุกข์เราก็มั่นใจว่า สิ่งที่เราพาพาคุณทำสิ่งที่เราบอกคุณสิ่งที่เรายืนยันให้คุณเข้าใจมันคือหนทางนั้นจริงจริงมันคือสิ่งที่พาคุณไปเห็นจริงๆว่าคุณทุกกับมันได้จริงๆแล้วคุณออกออกจากมันได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของคุณเพราะมันไม่ได้อยู่สุดลาฟ้าเขียวมันแค่ย้อนกลับมาดูตัวเองให้มันชัดขึ้นนั่นเองทวนกระแสกลับ มนุษย์มันมีแต่วิ่งไปตามกระแสมันไม่ทวนกระแสกลับมาที่จุดเริ่มต้นของความคิดเรามีแต่ไหลไปตามกระแสความคิดกับเอาความรู้สึกความคิดอารมณ์ต่างๆเราไหลไปจมไปกับมันเพราะการทวนกระแสกลับมาจุดเริ่มต้นเราจะเห็นความจริงขันมาเริ่มทํางานกันทำทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจจําได้ไหมคําพูดนี้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมานเอง ทวนกลับเข้ามาเมื่อทวนกลับมาเราจะเห็นความจริงตรงนี้จุดกําเนิดของทุกสรรพสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อขึงจุดจุดตรงนั้นได้ความเป็นอิสระที่จะไม่จมจมจะไม่ไหลไปในกระแสนั้นอีกก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะเมื่อเข้ามาเห็นความจริงจะเห็นความ ไรสาระความไม่มีก่นสารเพราะเป็นเรื่องที่ที่เราจะอุทานขึ้นในใจเราว่าแล้วกูหลงกูหลงโง่อยู่ตั้งนานได้ยังไงวะเนี่ยกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราถึงจุดโง่ที่สุดเราจะฉลาดที่สุด ถึงที่สุดอย่างความโง่ความฉลาดจะสว่างโพลงขึ้นดันดีจริงเนะาะมาเข้าสู่การปฏิบัติกันในวันนี้เอาจริงไหมนี่เอาจริงไหมนี่เอาซอดแจ้งปะเอาปะบอฉัาโ <laughs> อ้คือฟ้าตอบไว้แทบบอวะเนี่ย ในอุตสาห์ตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยอาจารย์ต้องกลัวหรอกมีกาแฟอยู่หลายกร็รมาานกาแฟได้ <c oughs> เกลียดมากเลยอะ่ะชวนกัชนชวนกันอะไรนะเห็นอยู่วัดหนึ่งพากันชวนนิสชิกไม่นอนคืนนี้โอยกาแฟหมดเพียบเลย เราก็บอกอะไรกรรมาฐานกาแฟอ่ะบางทีง่วงมากๆไปนั่งคุยกันไม่ใชนะ่ก็นั่งํำบาเถอะเริยนสติไปถ้ามันจะหลับก็ลองนั่งหลับเอาอย่าให้หลังแตะพื้นเข้าใจความหมายไหมถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลั บ, บเอะนั่งคอตกตุ้สุอย่างนี้ก็ได้นะ ขอค่อยตองแตงก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวอย่ไปแอบถ่ายรูปกันเดี๋ยวเห็นน้วมันลงน้ำลายไหลเสียหายเอาไหมเอาไหมเอามเอาสบอสเลยทีงั้นเอาอีกสักงั้นจริงป่ะเอาหกทุ่มไหมหกทุ่มไหมหกทุมหเอาหกทุมนะอ่า มาการเข้าสู่โหมดการปฏิบัติได้เลยใครจะเดินจงกรมใครจะยกมือสร้างยังหวะใครจะอะไรก็ได้นะแต่ขออยู่ให้ได้ถึงหกทุ่มให้ดีนะลองลองนั่งยกมือสร้างยังหวะอยู่ในที่เดียวเนี่ยจนถึงหกทุ่มดูนี้ไปไหมเอาพร้อมอ่านใครอยากปฏิบัติ ต, ตรงไหนก็เอาเลยลงข้างล่างก็ได้ไม่ว่ากัน ข้างล่างนะไม่ใช่เลยเอาไโน่นนะ